สัมพุทธาอาวิปติสารานิโขอ า, านันทะกุสารานิสีรานิอวิปติสารานิสังสารีติอีณบัดนีน้ จกได้แสดงพระธรรมเทศนาในสีรักถาว่าด้วยเรื่องอนิสง์ของศิลป์ประโยชน์ของศิลปว่ามีอย่างไรบ้างเพื่อท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสดับตรับฟังแล้วพินิษพิจารณาแล้ว จะได้ตั้งใจรักษาศินไว้ให้ดีเหมือนกับสัตว์บางประเภทที่เรียกกันว่าจามารีที่ตั้งใจรักษาขนของมันหรือเหมือนกับเกลือที่ตั้งใจรักษาความเค็มเอาไว้ไมาให้ความเค็มนั้นต้องจางไปต้องลดไป การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันตั้งใจรักษาเอาไว้ให้ดีเพราะในช่วงเทศกาลข้อพรรษานี้เป็นเวลานาทีแห่งความตั้งใจเป็นกุศลเริ่มต้นตั้งแต่วันเข้าพรรษาพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชน มีใจอันเป็นกุศลอธิษฐานตนเข้าพรรษาพร้อมกับพระกรมากตามวัดวารามต่างๆพระภิกษุสมณีนต่างก็ตั้งใจเข้าพรรษากันความตั้งใจเข้าพรรษานี้เราเรียกกันว่าอธิษฐานใจเข้าพรรษาทุกวัดวาอาราม ปฏิบัติเหมือนกันหมดยิ่งเป็นวัดใหญ่ๆด้วยแล้วก็จะต้องอธิษฐานใจเข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกามาประชุมกันณที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในพระอุโบสถแล้วก็กำหนดใจเหมือนกันว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนสิบเอ็ดคือถึงวันออกพรรษาจะใช้เวลาเพื่อการทำความดีให้เต็มที่การอธิษฐานใจก็หมายความว่าตั้งใจให้มั่นคงหรือตั้งใจจริงว่าจะทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจนั้นให้สำเร็จเรียบร้อย เช่นบางท่านตั้งใจว่าจะมาฟังธรรมทุกวันพระไม่เคยขาดไม่เคยละเกรงว่าจะเสียสัจจะอย่างนี้เขาเรียกเ็าเป็นความตั้งใจจริงญาติโยมบางท่านตั้งใจว่าจะตักบาตรทำบุญทุกวันพระหรือจะตักบาตรตลอดพรรษา อย่างนี้ก็เป็นความตั้งใจเหมือนกันสำนักเรียนใหญ่ๆพระเนนก็อธิษฐานใจว่าจะตื่นแต่เช้าประมาณตีสีตื่นขึ้นมาท่องหนังสือท่องตำราสำนักปฏิบัติก็ตื่นแต่เช้าขึ้นมาเพื่อเดินจงกรมหรือเพื่อเจริญสติ ทำกันทานองนี้แม้วัดไปยุโรวงสาวาทก็เหมือนกันพระพิสุสมมเนรก็อธิษฐานใจไปทานองนั้นเมื่อก่อนอาตมาเคยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเป็นสำนักใหญ่มีแม่ชีจำนวนหกเจ็ดร้อยท่านจำพรรษาร่วมกันอยู่ที่สำนักประชุมนารี วันอธิษฐานใจเข้าพรรษานั้นแม่ชีก็จะมาประชุมพร้อมกับพระพระเนร์ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยกว่ารูปแม่ชีประมาณหกร้อรูปเวลานั่งในโ บ, โบสถแล้วไม่พอแม่ชีก็ทะลักออกไปนั่งข้างนอกรอบระเบียงแน่นไปหมดแล้วก็อธิษฐานใจเข้าพรรษาแม่ชีบางท่านก็อธิษฐานใจว่า เช้าตรู่จะตื่นขึ้นมาเพื่อดูตำลาซึ่งตัวเองศึกษาอยู่ว่าเรียนธรรมศึกษาชั้นไหนเช่นเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกอย่างนี้เป็นต้นและที่สำนักเรียนนั้นมีแม่ชีได้ไปรเรียนธรรมเก้าประโยคเรียกว่าธรรมศึกษาหรือบาลีศึกษาเก้าประโยคแม่ชีก็จะตื่นขึ้นมาดูตำลากันใหญ่ แม่ชีบางส่วนนั่นก็อธิษฐานใจว่าหนึ่งพันษาสามเดือนนี้จะตื่นขึ้นมาทำอาหารถวายพระเนื่องจากว่ามีพระเนนมากการบินบาทก็ไม่่คยอุดมสมบูรณ์อันแม่ชีพอทราบข่าวว่าพระเนนไม่ค่อยมีอาหารฉันก็รวมกัน ตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาแล้วก็เข้าโรงครัวปรุงอาหารเองอาหารที่เมชีทำถวายพระเนนทุกวันเขาเรียกว่าแกงเรียงแกงเรียงเป็นประจำความจริงก็หลายแกงแต่นี่จะว่าทำแกงเรียงบ่อยๆต่อมาแกงเรียงนี้ก็เปลี่ยนเป็นแกงเวรคำว่าเวรมันไม่เพรา ะ, จะเจ้าวาด วัดนั้นบอกว่าจะไปเรียกแกงเวรเลยมันฟังแล้วมันรู้สึกสังเวชใจมันเวนเวรกรก ำ, กำอย่างนั้นให้เรียกแกงเรียงอย่างเดิมเถอะแม้บางวันมันจะเป็นแกงจืดก็เรียกกันว่าแกงเรียงก็แล้วกันมีเนรรูปหนึ่งไปถามหลวงพ่อเจ้าวาดว่าทำไมหลวงพ่อเรียกแกงเรียงท่านก็บอกเนื่องจากว่าแม่ชีขลําเรียงกันผัดเปลี่ยนเวียนกัน เข้าโรงครัวทำถวายพระก็ เ, เลยเรียกกันว่าแกงเรียงแม่ชีเหล่านี้ก็จะอธิฐานใจทําตลอดพรรษาฉะนั้นทุกวันพระนี่เป็นวันสำคัญในช่วงเข้าพรรษาญาติโยมก็ตั้งจิตเจตนากันให้ดีคอยดูปฏิทินอย่าไปลืมนะ มีหลายท่านมาสารภาพว่าแม่พลาดไปที่สองวันพระเพราะลืมดูปฏิทินก็เลยถามว่าโยมจำวันไหนแม่นที่สุดในแต่ละเดือนเนี้ยโยมคนนั้นก็ก็บอกว่าที่จำแม่นที่สุดคือวันที่สิบหกเพราะเป็นวันหวยออกวันอื่นแล้วไม่อยากจะจำเลยอย่างนี้ก็มีขอสรุปว่า ในช่วงเข้าพรรษานี้ขอให้ญาติโยมตั้งจิตเจตนาให้ดีเราจะทำความดีใดๆก็ทำให้ได้จริงๆอย่าไปทิ้งความตั้งใจเสียมีไม่น้อยที่ตั้งใจดีในตอนต้นเสร็จแล้วความตั้งใจมันก็ล้มลงทำดีไม่ตลอดถ้าหากว่าผู้ใดมีนิสัยเช่นนี้ จงมองเห็นโทษนิสัยตนเองเถอะว่ามันอันตรายนิสัยจิตใจเช่นนี้ไม่มีสัจจะประจำตัวคนเราเพอไม่มีสัจจะไม่มีความตั้งใจจริงแล้วก็ทิ้งความดีได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ทิ้งได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสัจจะศีลทําให้เรามีสัจจะได้ประการหนึ่ง ยกตัวอย่างว่าถ้าญาติโยมตั้งใจจัดสมาทานศีลรักษากำลังใจเอาไว้ให้ดีแล้วบำรุงกำลังใจไปเรื่อยๆถ้าหากว่าทำอย่างนี้ท่านก็จะมีศีลโดยอัตโนมัติเพราะคำว่าสมาทานนั้นหมายถึงความตั้งใจเป็นกุศล ดังที่พระอานนท์ได้ทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารพระอานนท์ได้โอกาสจึงเข้าไปทูลถามองค์สมเด็จพระบรมศาสดามีใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลที่เป็นกุศล น, นั่นมันเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าก็ตัดตอบกับพระอานนท์ว่าศีลที่มีลักษณะเป็นกุศลนั้นต้องเกิดขึ้นจากความตั้งใจสมาทานมีใจความดังที่อาตมาภาพได้ยกไว้ในเบื้องได้ยกตั้งไว้ในเบื้องต้นที่บอกว่าอวิปติสารารัฐานิโข อ, อนันทะเป็นต้น ซึ่งพระพุทธเจ้าตัดว่าดูกระอานน์ศินที่เป็นกุศล น, นั้นมีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นผลมีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นอนิสงส์สิลที่เป็นกุศล น, นั้นเป็นลักษณะอย่างนี้ อาจจะมีท่านทั้งหลายสงสัยว่าเอ๊ะมีศีลเป็นกุศลกับศีลเป็นอกุศลด้วยหรือก็ตอบว่ามีศีลที่เป็นกุศลนั้นต้องเกิดขึ้นจากความตั้งใจแน่วแน่ในขณะที่รักษาศีล น, นั้นแม้จะมีอะไรมาล่อมาหลอกให้เราทำชั่วจิตใจไม่วุบวาบวันไหวไปตามสิ่งที่ล่อหลอกนั้น จิตใจมีความมั่นคงเข้มแข็งลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกกันว่าความตั้งใจเป็นกุศลสินที่เป็นอกุศลก็อาจจะมีเหมือนกันคือดูดีๆ ด, ดูท่าทีเหมือนกับว่าจะมีสินแต่อาจจะไม่มีสินก็ได้ขอให้สังเกตดูเถอ เดี๋ยวนี้จะมีผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาตามวัดตามวาตามบ้านต่งางๆเยอะบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ดูเหมือนกับทำท่าว่าจะมีสินแต่ถ้าหาว่าเขาได้โอกาสทำผิดสินเมื่อไหร่เขาก็จะทำผิดสินทันทียกตัวอย่างว่าเดินมาในวัดนี่ถ้ามีกุฏิใดเผลอเปิดประตูไว้ คนเหล่านี้เขาไม่มีสินสินนัเขาไม่เป็นกุศลพอเผลอเท่านั้นนะบุกเข้าไปในกุฏิไปลักไปขโมยหรือบางทีก็ไปทำลายพระก็มีอย่างนี้ไม่ใช่สยนเป็นกุศลเหมือนกับว่าจะมีสินคือปกติอยู่ได้ไม่เท่าไหร่พอไปพบสิ่งจูงใจทำให้ตัวเองน่ผิดสินตัวเองก็ไม่ยอมยับยัง้ง อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าไม่ใช่สินเป็นกุศลฉะนั้นคำว่าศินเป็นกุศลนี้คือหมายความว่าเราตั้งใจว่าจะไม่ทําเรื่องที่ไม่ดีท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่าถ้าเราตั้งใจว่าจะไม่ทําเรื่องที่ไม่ดีเว้นจากเรื่องที่ไม่ดีได้มากเท่าไหร่ จิตใจเราก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นฆ่ากันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีโกงกันเป็นเรื่องที่ไม่ดีผิดคู่ครองกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีโกหกกันเป็นเรื่องที่ไม่ดีดื่มทุลายามเมากันจนเป็นนิสัยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดี นี่พูดถึงว่าสินพื้นพื้นสินห้านี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามตั้งใจที่จะเว้นจากเรื่องไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ว่าจะไม่ทำละในปรรษานี้แล้วก็ตลอดไปบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครผู้ใดก็ตามถ้าตั้งใจได้อย่างนี้แล้วก็เรียกกันว่าเป็นผู้มีสิน จะเป็นเด็กนักเรียนนี่ก็ได้เป็นครูอาจารย์ก็ได้จะเป็นผู้ปกครองพ่อแม่ก็ได้จะเป็นหญิงก็ได้จะเป็นชายก็ดีถ้ามีความตั้งใจไปทำนองนี้เขาเรียกกันว่ามีจิตเป็นกุศลเป็นลักษณะของสมาทานเรียกว่าสมาทานสิน แต่ถ้าเกิดว่าใครผู้ใดเห็นผิดว่าฆ่ากันดีขมโมยกันดีผิดคู่ครองกันดีโกหกกันดีดื่มน้ำเมาเป็นเรื่องดีก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีความเห็นผิดเข้าใจผิดพอเกิดความเห็นผิดแล้วจะพูดก็ผิดจะทำก็ผิดมันเกิดจากความเห็นผิด เราเรียกกันว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นพื้นฐานฉะนั้นการสมาทานศีลหรือการรักษาศีล น, นั้นหมายถึงการที่เราตั้งใจงดเว้นจากการกระทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอย่างในน้อยก็ห้าประการที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเว้นจากการฆ่ากันเว้นจากการลักขโมยกัน เว้นจากการผิดคู่ครองกันเว้นจากการหลอกลวงโกหกกันเว้นจากการทาร้ายตัวเองกันโดยการดืม่มเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าผู้ใดตั้งใจงดเว้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วตั้งใจจริงไม่ทิ้งความตั้งใจเนี่ยจึงจะได้ชื่อว่า สมาทานสินเป็นกุศลแต่ถ้าความตั้งใจไม่ไ ม, ไม่เข้มแข็งมั่นคงนะเป็นความตั้งใจที่ไม่ใช่สัจจะตั้งใจในตอนต้นแล้วก็ล้มลงลง้มล้ม ล, ลุกลุกอยู่อย่างนี้ความตั้งใจอันนั้นยังไม่จัดเป็นการรักษาสินที่เป็นกุศลท่านเล่าว่านกกระยางตัวหนึ่ง มันอาศัยอยู่โขดหินเรียกกันว่าหินดาดอยู่ใกล้ๆกับในน้าใหญ่แห่งหนึ่งเวลาน้ำลดหินดาดมันก็จะโผล่มาเต็มก้อนแต่เวลาน้ำขึ้นนี้จะมีจะเห็นหินดาดอยู่เพียงครึ่งก้อนนอกกระยางมันไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าน้ำท่วมหมด หาอาหารด้วยความยากลำบากมันก็เลยอธิษฐานใจรักษาศีลอยู่บนก้อนหินนั้นคือมันตั้งใจว่ามันจะไม่กินอะไรละถ้าจะไปจับปลากินก็เป็นบาปผิดศีลถ้าหากว่ามันจะไปกินสิ่งต่างๆที่มีชีวิตก็เกงว่าจะผิดศีลจริงๆแล้วไม่มีให้กินตั้งหาก มันก็เลยถือโอกาสนีถือศีลอดเส้นเลยในตอนนั้นนะถือศีลอดนกกยางอธิษฐานใจรักษาศีลร้อนถึงพระ อ, อินทร์บนสวรรค์พระ อ, อินทร์นั่นเป็นนายกของเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงรู้ว่านกกยางตัวนี้อธิษฐานรักษาศีลเข้มแข็งเหลือเกิน ทำทีทำท่าว่าจะเอาชีวิตเข้าแรกเลยทีเดียวแล้วพระอินทร์ก็ต้องการจะทดลองใจเนรมิตเป็นแพะมาเดินใกล้ๆกับนกกระยางนั้นนกกระยางเห็นแพะมาทอนนั้นหิวทันทีเลยอยากจะดื่มเลือดของแพะสักทีว่ารสชาติมันเป็นยังไง อาหารอย่างอื่นก็ทานมาเยอะแล้วแต่ว่าเลือดของแพะนี่รสชาติเป็นเป็นยังไงอยากแคได้รับฐานเลยบินออกเลยบินขึ้นจากก้อนหินนั้นมาจับบนหลังแพะแพะก็ไม่ยอมให้จับสะบัดไปสะบัดมานกกรยางก็ไม่ละทิ้งความพยายามพยายามตามแพะไปที่นั่นไปที่นี่ จนกระทั่งพระอินทร์รู้ว่านกกระยางตัวนี้ไม่มีสัจจะตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วทำได้ไม่จริงพระอินทร์ก็เลยให้นกกระยางได้รู้ว่าแพะตัวนี้ไม่ใช่แพะจริงแต่ว่าเป็นเทวดาพระอินทร์ก็เลยแปลงร่างให้นกกระยางได้ไดเห็นแล้วพระอินทร์ก็ตาหนิกนกกระยางว่า เจ้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่หลอกลวงแม้ไม่ได้หลอกลวงคนอื่นแต่ก็หลอกลวงตัวเองนกกะยางฟังแล้วก็ให้รู้สึกสลดหด ถ, ถูว่าตนเองเป็นผู้มีจิตใจไม่เข้มแข็งตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ทำไม่ได้อย่างนี้เกิดจากความที่ไม่ตั้งใจจริง นักเรียนก็เหมือนกันต้องตั้งใจเรียนพอตั้งใจเรียนแล้วก็ย่อมจะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างหนึ่งจะต้องไม่นอนดึกจนเกินไปสองต้องตื่นแต่เช้าและเวลาท่านอาจารย์ท่านสอนก็ต้องตั้งใจฟังท่านมีการบ้านก็ต้องทำการบ้านให้เป็นไปตามความต้องการของครูบาอาจารย์อย่างนี้เขาเรียกว่ามีความตั้งใจ ตั้งใจดีอย่างนี้แล้วยอมประสบความสำเร็จเหมือนกับบุคคลตั้งใจจะสมาทานศีลแล้วก็พยายามรักษาศีลไปตามที่ตัวเองอธิษฐานถ้าศีลห้าก็อธิษฐานใจแบบหนึ่งศีลแปดก็อธิษฐานใจไปอีกแบบหนึ่งตั้งใจไว้ว่าจะรักษาให้ดีที่สุดอย่างเช่นอุโบสถศีลวันนี้ ก็ตั้งใจว่าจะรักษาให้ตลอดรอดฟังวันหนึ่งคืนหนึ่งรักษาอย่างนี้เอาไว้ให้ดีทําอย่างนี้แล้วจะทําให้เรานื้อมีความสบายใจไม่มีความเดือดร้อนดังที่พระพุทธเจ้าจัดกบพระ อ, อนุ์ว่าดูกระระ อ, อนุนสินที่เป็นกุศลที่บุคคลรักษาแล้วจะมีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นผล จะมีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นอานิสงส์ที่ว่าเป็นผลนะั่นมันคืออย่างไรเป็นอนิสงคืออย่างไรปัจจุบันก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจถ้าเราทำอะไรไม่ผิดศีลแต่ถ้าทำผิดศีลแล้วก็เดือดเนื้อร้อนใจเหมือนนกกยางตั้งใจว่าจะไม่ทำนั่นจะไม่ทำนี่ แล้วในที่สุดก็เลิกล้มความตั้งใจเสียอย่างนี้ก็เดือดเนื้อร้อนใจแล้วมีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นอานิสงส์นั่นคืออะไรคือหมายความว่าแม้ว่าเรานจะร่มหายตายจากไปเกิดชาติไหนพบไหนศินเหล่านี้จะกลายเป็นบารมีคุ้มครองตัวเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สําเร็จมรรคผลนิพพาน นี่เป็นอนิสงค์คำว่าผลนั้นหมายความว่าได้ปัจจุบันทันตารักษาสินแล้วจิตใจของเรานี้จะดีขึ้นคือทุกครั้งที่มีความตั้งใจความตั้งใจดีเนี้ยจะคลายกิเลสออกจากใจคลายอะไรบ้างล่ะคลายความโหดร้ายคลายความมือไวคลายความเป็นคนใจเร็ว คลายความเป็นคนขี้ปดคลายความเป็นคนหมดสติออกไปจากใจเรื่อยๆเรียกกวันนี้สสยโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติจะไม่ค้างอยู่ในจิตใจของเราทำไมมันถึงไม่มีก็เพราะว่าเรามีศีลนี่ทุกครั้งที่เราตั้งใจดีจิตใจเราก็ดีขึ้นโดยลำดับ ทุกครั้งที่เราตั้งใจไม่ดีจิตใจของเราจะเสียไปเรื่อยๆเอายกตัวอย่างว่าถ้านักเรียนตั้งใจว่ายุงบินผ่านหน้าฉันจะตีมันแหละพอคิดอย่างนี้ใจเสียเลยใจจะมีความโหดร้ายจะชอบความรุนแรงไปเรื่อยๆพอโหดร้ายมากขึ้นรุนแรงมากขึ้น จะไม่ตีเฉพาอะอยุงแล้วแมวผ่านมากดตีสุนัขผ่านมากาตีตีสัตว์ใหญ่ๆไปเรื่อยๆไม่พอต่อไปก็ตีพ่อตีแม่ทำร้ายได้แม้กระทั่งพ่อตัวเองเหมือนข่าวตอนเช้านิยมเห็นไหมลูกยิงพ่อตายในคะาบ้านเลยปังเดียวเท่านั้นพ่อตายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเด็กคนนี้ มันย้ำคิดย้ำทรมานานว่าพ่อนี่มันน่าฆ่าเหลือเกินมันคิดไปในทำนองนี้แล้วในที่สุดพอความคิดมันถึงฉีดก็ไปคว้าปืนมายิงพ่อตัวเองถึงแก่ความตายลองคิดดูสิแต่ถ้าหากว่าเราสมาทานศีลเราพยายามเพิ่มพูนความคิดที่เป็นกุศลความคิดที่ดีให้มีมากขึ้น ความคิดดีๆนั้นเปรียบเสมือนน้ำที่เราเก็บไว้มากขึ้นเห็นว่าตรงนั้นเระเทอะตรงนี้สกปรกเรามีน้ำพอเพียงแล้วก็ใช้น้ำนั้นล้างทำความสะอาดปัดกวาดหรือขูดขัดที่ตรงนั้นมันก็สะอาดขึ้นชันใดใจของคนก็เหมือนกันทุกครั้งที่เราตั้งใจดี ความตั้งใจดีมันก็ทำหน้าที่ในการชำระสิ่งโสโครกออกจากใจชำระความโหดร้ายทำละมือไวใจเร็วพูดปดผลดสตินี่นะอันเป็นเรื่องไม่ดีของคนออกไปได้หมดเทีเดียวความตั้งใจอย่างนี้อย่าวติคนเลยแม้แต่สัตว์ทั้งหลายถ้าตั้งใจดีแล้วสัตว์ตัวนั้นก็กลายเป็นสัตว์เทวดา คือเป็นสัตว์เฉพาะเรือนร่างแต่ว่าจิตใจเป็นเทวดาเหมือนกับสัตว์สี่ตัวนี้ที่มีความตั้งใจดีในช่วงเข้าพรรษาสัตว์เหล่านี้เป็นเพื่อนกันมีอะไรบ้างมีกระตา่ายมีนาคมีลิงมีสุนัขจิ้งจอก นักเรียนคงเคยเห็นกระต่ายนะถ้าหากไม่เคยเห็นกระต่ายตัวจริงก็เวลาขั้งขึ้นแขนดูท้องฟ้าจะเห็นตกระต่ายในดวงจันทร์สัตว์สี่ตัวนี้พอเขารู้ว่าวันเข้าพรรษามาถึงเท่านั้นเขาก็มาตกลงกันวันหนึ่งพรรษานี่เราจะบำเพ็ญทานเราจะรักษาศีลกันดีไหม แล้วในที่สุดก็ตกลงปรงใจว่าดีพอตั้งใจอย่างนั้นก็ทำดีโดยตลอดเขาตั้งใจว่าพอวันพระมาถึงนี่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ทำทานก็จะไม่ยอมทานกินอาหารต้องทำทานกันก่อนทั้งหมดทุกตัวพอวันพระมาถึงหน้า ก็ไปหาปลาตามหาดทรายตามริมแม่น้ำพอไปพบปลาแล้วจะไม่ยอมกินรอจนกว่าจะมีคนยากคนจนมาขออาหารอา้าวต่อมาสุนัขจิ้งจอกก็เหมือนกันเดินไปตามที่ต่างๆไปถึงกระท่อมชาวนาแห่งหนึ่ง เห็นชาวนาแฝดข้าวไว้กรอกกล่องข้าวไว้สุนัขจิงจอกตะโกนถามสามครั้งว่ากล่องข้าวนี้มีเจ้าของไหมใครเป็นเจ้าของกันแน่ถามสามครั้งไม่มีใครตอบว่าเป็นเจ้าของสุนัขจิงจอกก็เอากล่องข้าวนั้นมาเก็บไว้ที่หลังของตนลิงก็เหมือนกัน ออกไปในป่าไปเห็นมะม่วงมันกำลังออกลูกก็เลยตะโกนถามสามครั้งว่ามะม่วงต้นนี้มีเจ้าของไ้ยไม่มีใครบอกว่าเป็นเจ้าของลิงมันก็ไปเด็ดเอามาเอ้ามาพูดถึงเรื่องอะไรกระต่ายละ่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาทำทานเพราะว่ากระต่ายนะั้นมันกินหญ้า จะเอาหญ้าไม้ฐานมนุษย์มนุษย์ก็ไม่กินในที่สุดก็ตายมันก็เลยอธิฐานใจว่าอุทิศร่างของมันเป็นอาหารถ้ามีใครมาขอเอาชีวิตของมันเป็นอาหารมันยินดีจะสละให้ปรากฏว่าแรงอธิฐานใจของสัตว์เหล่านี้ร้อนไปถึงพระอินทร์อีกแล้วถ้าอินทร์นี้คอยสอดส่องมองดูคนที่ทาความดี ไม่ทอดทิ้งคนทำความดีนักเรียนที่ตั้งใจทำความดีพระอินก็ไม่ทอดทิ้งอยองยกตัวอย่างว่าตั้งใจฟังเทศขณะนี้พระอินรู้ดีว่ามีคนไหนตั้งใจไม่ตั้งใจถ้ารู้ว่านักเรียนคนใดเนี่ยไม่ตั้งใจฟังเทศเดี๋ยวกังคืนพระอินรก็จะมาพบถามปัญหาว่าทำไมจึงไม่ตั้งใจฟังเทศ พระอินคอยสอดส่องมองดูอยู่ทุกคนเลยนะพระอินทก็เลยปลอมตัวมาเป็นชายชรายากจนเดินมาถึงกระท่อมของกระต่ายกระต่ายเห็นแล้วโอ้เราไม่รู้จะมีอะไรเป็นฐานนี่กับชายแก่คนนี้นอมีแต่หญ้าคนเขาไม่กินหญ้ากันนี่มีแต่เราเป็นกระต่ายที่กินหญ้า ก็เลยบอกกระชายชลาเลยว่าโอ้โหดูท่านจะอดอาหารมาหลายวันท่านต้องการอาหารไหมบอกก็ต้องการน่ะสิจึงเดินมาที่นี่ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเนี่ยขออุทิศชีวิตเป็นอาหารของท่านอา้าวขอให้ท่านติดเตาแก๊สเลยเนะีข้าพเจ้าจะกระโจนลงไปเนี่ยท่ามกลางกองไฟนั่นแหละปรากฏราพระอินทร์ก็กอบไฟกองใหญ่ขึ้นมา ก็ตายไม่รอช้ากระโดดโค้มก็ไปกลางกองไฟนึกว่าไฟมันจะร้อนที่ไหนได้เย็นเฉียบเลยก็เลยสงสัยว่าไอ้ไฟของท่านเนี่ยมันเป็นไฟอะไรเนี่ยทำไมไม่ร้อนสักนิดหนึง่งพระอินทร์ก็เลยบอกว่าโอ้ก็ตายท่านเป็นคนอาถรรพ์ตรอกูลสนยิ่งนักข้าพเจ้าเป็นพระอินทร์ต้องการจะมาลองใจท่าน หลังจากนั้นพระอินทร์ก็ประสิทธิ์ประสาทพรว่าขอให้กระต่ายนี้จงแควคแกราดปลอดภัยจากสัตว์ร้ายทั้งหลายแล้วก็ให้พรพิเศษว่าเมื่อเจ้าสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วขอให้ท่านจงไปสถิตยอยู่บนดวงจันทร์ตั้งแต่บัดนั้นมาเนียที่ดวงจันทร์จึงมีรูปกระต่ายนักเรียนเห็นไหม มีลูกก็ตายก็ตายตัวนี้แหละมันอุทิศชีวิตเพื่อผู้อื่นแล้วมันตายด้วยความสุขมีความเอิบอิ่มต่อความตั้งใจดีของตนด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนว่าเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วขอให้ตั้งใจจริงอย่าไปละทิ้งความตั้งใจ สำนักสงฆ์วัดสำนักเรียนวัดปยูโรงสาวาทเนี่ยซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระบรมบัณฑิตเป็นเจ้าวาดมีความตั้งใจจะเปิดวัดให้พระเนนมาศึกษาวิชาเทศนาตอนต้นๆก็ประสบปัญหามากมายเช่นไม่มีงบประมาณจะบริหารบ้างขาดคนสนับสนุนบ้างบอกพระเนรในวัดให้ช่วยกัน บริจาคกันอุปถัมบำลุงกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่24แล้ววันนี้จะทำพิธีประถมมรดิเทศคือเปิดการเรียนจะมีพระภิกษุสมณเนมาจากที่ต่างๆประมาณสองสามร้อยรูปมาเรียนกันค่ำนี้จะเปิดแล้วเวลาประมาณ17นาฬิกาขอญาติโยมที่มีความประสงค์เนี่ย จะบําเพ็ญทานเป็นพิเศษก็ทําได้ในช่วงนี้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ําปานะจัดน้ําปานะถวายพระกันเฉพาะวันพระเท่านั้นนะฮะวันอื่นๆญาติโยมมีความประสงค์ต้องการจะทําบุญทํำทานอย่างไรก็ทําได้หมดแหละนี่เป็นความตั้งใจจริงของสํานักเรียนวัดปิยโรงค์สาวาทซึ่งทํากันมาตั้งแต่หลวงตายังมีชีวิตอยู่ หลวงตาผู้เป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาทั้งหลายนั้นท่านล่วงลับดับชีพไปหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อายุท่านก็ไม่มากห้าสิบเศษเศษท่านก็สิ้นบุญไปเสียก่อนมาถึงตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมยกจ้องให้หลวงตานั้นเป็นบุรพะศิลปินรูปหนึ่ง ในจำนวนพระประมาณยี่สิบกว่ารูปมีหลวงพ่อพุทธธาสมีหลวงพ่อปัญญาแล้วมีใครต่อใครซึ่งลงรับดับชีพไปแล้วนั่นหลวงตาปรากรว่าเป็นพระเถระผู้หนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องพระเดชพระคุณทาชะคุณเจ้าวาดพร้อมด้วยคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งได้เดินทางไปสะดับรับรูบร้เมื่อวันที่ย1สบ็ดที่ผ่านมาที่กระทรวงวัฒนธรรม ที่เราเรียกกันว่าศูนย์วัฒนธรรมของอใกล้ๆกับแถวๆนั้นเขาเรียกกันว่าใกล้ๆกับห้างใหญ่ๆซึ่งอาตมาก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะพระพิสุท์สมนี น, นว่าปิยรวงไปฟังแล้วก็ให้รู้สึกปื้มใจปรากฏว่าเขาคัดเลือกแล้วทำการยกย่อง สะดุดีถึงความดีของหลวงตาต่างๆนานา น, านี่ก็เล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าตั้งแต่หลวงตาเปิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็รุ่นที่24แล้วที่ยังไม่เลิกล้มเพราะอะไรเพราะไม่ละทิ้งความตั้งใจดีขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายรักษาความตั้งใจดีอันนี้ไว้เถิดว่าในช่วงเข้าปรรษานี้ จะบำเพ็ญทานจะรักษาศีลจะสวดมนต์ภาวนาจะทำกุศลอันหนึ่งอันใดขอให้รักษาความตั้งใจไวให้ดีถ้ารักษาความตั้งใจไว้เช่นนี้แล้วเราจะได้รับอานิสงส์ชัดเจนสองประการหนึ่งปัจจุบันนี้เราจะมีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นผล จะมีความเย็นกายจะมีความเย็นใจนึกถึงการกระทาของตัวเองทีไรไม่มีเรื่องตะขิดตะขวงไม่ตำหนิตัวเองไม่ว่าตัวเองทำให้เรานั้นเกิดความชุ่มชื่นเรื่นเริงในชีวิตในอนาคตภายภาคหน้าบารมีแห่งทานแ่งศิล น, นี้จะตามช่วยชุบอุปการะให้ชีวิตของเรา มีความสุขมีความเจริญจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภพระปฏิพานธรรมสารสมบัติอันเป็นสิ่งที่เรามุ่งมา่ปรารถนาดังใจความที่ชี้แจงแสดงมารัตนัตยานุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ จเจริญสุขสิริสัจเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมราชกำจัดพานให้เปารายผุดผ่องพ้นผองไัยขอเดชะพระสังครราชกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระรัตนตรยัยขอท่านศาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายจเจริญไวัยเจริญสีทวีคูณประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงทันสําเร็จ ดังที่ประทรงจงทุกประการเทศนาบรรหารดังชี้แจงแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุิยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการเชนนี้